สหรับผู้จะเป็นสาวกอรหันละหันส่วนมากเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจา้าเรียนอย่างไรขณะที่ท่านบวชท่านั่งสอนตระจบรรากาศกรรมฐานเช่นจะว่าเอหิปิกูะสัมมาทาท่านจะเป็นพิจุมาเถิดทำเหล่ากาดดีแล้วนี่ก็สอนธรรมเป็นเครื่องนำเนินการสอนธรรมเป็นเครื่องนำเนินนั่นแหละเป็นการให้อวาผู้ที่ สดับสับฟังในขณะที่พระองค์ท่านให้พระอประทานพระโอวาทก็ชื่อว่าการเรียนด้วยและการปฏิบัติไปนในตัวด้วยการเรียนวัตถินั้นเป็นนั่นสิ่งนั้นเป็นนั้นเป็นท่านสอนว่าเกสาโลมานาคาทันตาแตโจดังนี้เป็นต้นนี่คือท่านสอนเราเรียนให้ทราบว่าเกสาคืออะไรโลมานาคาทันตาแตโจแต่และอย่างละอย่างคืออะไรอะไรพระพุทธเจ้าผสอนสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไป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 เป็นนักเทศแต่ธรรมกัตถ์ของพระอรหันต์ผิดกับธรรมะกัตถ์ทั่วไปพระธรรมกัตถึกก็เช่นอย่างพระพระปุรนมนาตมนตานีบุตรท่านเป็นธรรมกัตถ์เอกส่นมากท่านยกเอาสันเลขกถาเป็นเครื่องแสดงสันเลขาถาคือ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 กำกับรักษาอยู่กับความรู้อันนี้พระเถระองนั้นก็เมื่อได้ฟังจากสามเนรก็ได้สติได้อุบายขึ้นมาโดยลำหนักลำหดัเนรเห็นว่าสมควรที่จะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพาพระเถระนี้ไปเนรเป็นอาจารย์ธรรมาเถระนี้เป็นลูกศิษย์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า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 เพราะฉะนั้นตรงใช้ปัญญาพินิปิญญาให้เห็นตามความจริงของมันเวลาพระพุทธเจ้าท่านตรงประทานบอกว่าให้ดูให้ชัดเจนรูปมีอะไรถึงเรียกว่ารูปมันผสมส่วนกับอะไรบ้างคําว่ารูปนี้มีกี่อาการอาการหนึ่งคืออะไรอาการที่สองที่สามแตคืออะไรแล้วรวมกันอยู่นี่เรียกว่ารูปสภาพความมันอยู่ของมันเป็นอย่างไร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 เราภาคภูมิใจกับคำว่าเรากับธรรมะของเราเหมือนกันเรามีอำนาจวาสนาในสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครองนี้ความจริงเราเป็นคนรับท้ายสิ่งเหล่านี้รุ่มหลงก็คือเราในเรื่องความทุกข์ความลําบากมากระทบกระเทอือนก็คือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่งเหล่านี้ก็คือเราแบกหามด้วยสงนี้ด้วยความรุ่มความหลงก็คือเราผลสุดท้ายเราเป็นคนแยนะ่เพราะความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นจึงแยกสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นตามความจรินของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมา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 ลงไปแยกเยอะให้มันเห็นทตดตามความจิง grid. สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขงกังนตาซึ่แท้ในจิตนี้กระจายออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้กระจายหายไปไม่มีอะไรเหลือแล้วอ น, นิจจังทุกขงกังนตา ท, ที่มีอยู่ภายในจิตก็หายไปพร้อมๆกันคําว่าจิตอันนี้เราจะเรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะนอกจากสมมุติไปโดประการทั้งปวงแล้วแยกตัวออกจากสมมุติแล้วคําว่าอนิจจังทุกขงกังนตาจริงไม่มีภายในจิต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 แต่กระจายออกไปแล้จิตก็บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิแบบ์แล้วคำไม่เฮีย้ยก็เรียกว่าจับได้ก็ถูกถึงตัวจริงของธรรมก็ถูกหมดปัญหาการพิจารณาธรรมท่านสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้านี่ล้วพูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในขั้งพุทธการก็มีมาอย่างนั้นเหมือนกัน